การรู้ตัวเองในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับอดีตอนาคตปัจจุบันคือใหม่สดใหม่สดสดแต่ว่าบางทีปัจจุบันจริงๆมันไม่มีจริงนะเพราะว่าพอเป็นปัจจุบันปับ๊บมันตกในอดีตเลยนะแต่ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกับปัจจุบันนะเอาถ้างั้นเดี๋ยวมาฝึกรู้ตัวเองกันนะลองลองทำอย่างที่หลวงพ่อว่าดูนะ หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่กลายนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นซูมนะมันก็ดีนะเราจะได้เห็นว่าเออแต่ละคนอยู่กันยังไงรู้ตัวเองรู้ตัวเองแต่จริงนะะหลวงพ่อสมณะหลวงพ่อจะตั้งโจทย์ว่าตอนนี้อยู่กับใครทุกคนรู้ตัวเองหมดเลยว่าอยู่คนเดียวอ่าแต่จริงๆอะ่ะบางคนโอเคเด็กๆมันก็รู้ว่าอยู่คนเดียวแต่ว่ามัน มันรู้มันมันไม่ลึกซึ้งไงมันกลายเป็นว่าเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวแต่มันมีธรรมชาติที่รู้ตัวเราว่าเราอะอยู่คนเดียวมันไม่เหมือนกันนะเรารู้กับมันรู้เราอะนะไม่เหมือนกันทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่ารู้เราเป็นยังไงครับอรั์ครับหลวงพ่ อ, อเออเมื่อกี้พอดี ตอนที่หลวงพ่ออลองให้เพี่อนาจเขาฝึกดูนะครับพอดีตอนนั้นผมทําไม่ทันเพราะว่าเพราะว่ากําลังมีมีกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ทีนี้จะขอขอแบบฝึกเรื่องการฟังบ้างได้ไหมครับหลวงพ่อว่าฟังยังไงให้ให้เป็นรู้เราอย่านีครับอ่านะเออเอเอเอช่นนะทุกคนมันมีประสบการณ์แหละอาการแอบฟังคนอื่นมีบ้างไหมเคยแอบฟังอ่ะเวลาเขาพูดกันเคยแอบฟังอ่ะ ใชไหมประสบการณ์นะหลวงพ่อใจชี้ให้เห็นนะเวลาเราแอ บ, บฟังเนี่ยหมายความว่ามันจะมีตัวเราแล้วก็แอบบทําหน้าทําตาหรือว่าทําหูหรือเอียงคอเนาะเพื่อที่จะแอ บ, บฟังให้ชัดทีเนี้คนถ้าไม่ฝึกสติเนี่ยเขาจะส่งจิตไปเหมือนกับว่าคอยแต่จะรู้ว่าไอคนนั้นเขาพูดอะไรแต่ตอนนั้นเขาไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าเห็นตัวเองก็จะรู้เลยว่าไอตัวเองเนี่ย มีท่าทางอย่างไงมีบุคลิกอย่างไงทำหน้าทำตาอย่างไงมันก็จะรู้ตัวเราว่าเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้นะสวนวมงมติโยมฟังโยมฟังหลวงพ่อก็ได้อะเนี่หลวงพ่อกําลังพูดนะหลวงพ่อกําลังพูดแล้วก็โยมก็กําลังฟังหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าหลวงพ่อก็อยู่อีกที่หนึง่งแต่โยมก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่า พอรู้ได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดียวกับโยมอ่ะหลวงพ่ออยู่ไกลๆเนาะหลวงพ่ออยู่นู่นตัวโยมอยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ถูกไหมเนี่ยตอนเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาก็คือว่าวิ่งไปรู้หลวงพ่อบ้างแล้วก็มันมารู้ตัวเราบ้างแล้วก็ไปรู้หลวงพ่อบ้างแล้วก็มารู้ตัวเราบ้างแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเอ้ยมันวิ่งไปวิ่งมาไอ้วิ่งไปวิ่งมาก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ พอเห็นแล้วยังครับครับก็เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนที่ที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้อ่าทีนี้ถ้าเห็นวิ่งไปวิ่งมาโยมดูตรงนี้ก็ได้ตัวโยมเนี่ยไม่ได้วิ่งหรอกตัวโยมก็ยังอยู่ที่บ้านแต่ไอตัววิ่งไปเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งออกมาจากตัวโยมแล้วก็มาที่หลวงพ่อมันก็ไปโม้โม้นะเออแล้วก็เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา แต่ตัวโยมอ่ะไม่ได้วิ่งหรอกแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นการวิ่งไปวิ่งมาแล้วรวมถึงเห็นตัวโยมด้วยว่าโยมอ่ะไม่ได้วิ่งด้วยโยมมาอยู่กับที่อยู่ที่บ้านอืมครับคบพอพอชัดเจนไหมเอาลองลองลอ ง, ลองเงียบเงียบก็ได้นะตอนนี้ยลองเงียบเงียบหลวงพ่อไม่ชวนคุยแต่ว่าให้ใช้วิธีว่าอ่ะเหมือนกับว่ามันไปวัดป่าสุขโตอย่างเงี้ยหลวงพ่ออยู่วัดป่าสุขโตเนาะ แล้วก็มันรับรู้ว่าออหลวงพ่อแล้วมันมีนิมิตเป็นเครื่องหมายหลวงพ่อด้วยนะทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ามันรู้ว่าเป็นพระเนาอ ะ, อะมันเห็นแล้วก็พอกลับมารู้ตัวโยมมันก็เห็นโยมแต่มันไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยใจเลยมันเห็นเลยอ่ะแล้วก็เอาวิ่งมาที่สุขโตอีกวิ่งมาที่ตัวเองเอีกเฮ้ยมันวิ่งไปวิ่งมาไวทีนี้ลองอยู่เฉยๆดูมันอาจจะไม่วิ่งแล้วก็ได้ สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยการวิ่งไปวิ่งมามันก็เป็นสิ่งถูกรู้หลวงพ่อที่อยู่วัดป่าสุขโตก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ตัวโยมที่อยู่ที่บ้านก็เป็นสิ่งถูกรู้นี่หลวงพ่อชี้บอกขนาดนี้แล้วนะเนี่ยถึงตามได้ไหมอืมก็ยังไม่ชัดเนาะ ก, ก็ก็พอเห็นนะครับเพียงแต่ว่ามันคงคงแค่นี้มันคงคือบางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเราเนี่นะพยายามที่จะ ไอตัวเรานี่นะมันพยายามคิดเพื่อให้เข้าใจไออตัวไอตัวเนี้ยมันไปบังหมดเลยอ่ะจริงๆอ่ะใช่ใช่ครับตัวเราไม่ต้องคิดเลยตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่เฉยเฉยแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาพอหลวงพ่อพูดอะไรเช่นหลวงพ่อบอกว่าเอออ่าไอ้นึกถึงหลวงพ่อเพราะว่าตัวโยมกับตัวหลวงพ่อมันอยู่คนละที่อยู่แล้วมันรู้ได้นี่เห็นไหมตอนเนี้ยมันรู้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องคิดเลย เมื่อกี้เนี่ยครับหรือตอนที่หลวงพ่อถามเนี่ยมันเหมือนมันมีตัวหนึ่งพยายามที่จะทําความเข้าใจเออไอตัวนั้นแหละเป็นตัวบงังเนี่ยครับแต่ว่าถ้ารู้ว่าไอตัวเนี้ยทําความเข้าใจมันก็เป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดีว่าอ๋อรู้ได้นี่วะไอตัวเนี้ยทําความเข้าใจแสดงว่า ม, มันก็มีตัวรู้มารู้ไอตัวนี้เอางี้นะเอาโอเคเ อ, อลองไปฝึกดูไปฝึกดูนะแล้วก็จะเข้าใจเองแต่อย่าเอาตัวเราไปคิดถ้าเอาตัวเราไปคิดมันบังหมดเลย ก็แค่รู้มัอนให้โยมเพ่งก็ได้หลวงพ่อก็เคยฝึกนักใช้วิธีเพ่งมองไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่งนานๆพอเพ่งนานๆปั๊บมันก็นึกขึ้นได้ว่ามีตัวเราเป็นผู้เพ่งอ่ะแล้วก็เพ่งเอาไว้แล้วก็มันก็นึกได้ว่าตัวเรามีเป็นผู้เพ่งแล้วก็มันก็จะแยกมันก็จะแยกระหว่างสิ่งถูกเพ่งกับตัวเราที่เป็นผู้เพ่งอแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้เพ่งอ๋อครับ อพอเกิดขึ้นไหมอ่าหรือหลวงพ่อจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งไปยืน อ, อยู่หน้ากระจกบานใหญ่ลองฟังด้วยนะคนอืีนลองฟังด้วยนะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวที่มีเนื้อมีหนังเนี่ยนะไปยืนอยู่หน้ากระจกพอยืนอยู่หน้ากระจกเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยที่อยู่นอกกระจกก็ไปเห็นเงาตัวเองในกระจกทีนี้ก็ดู<ช> ด, ดูเงาตัวเองแล้วก็ดูตัวเอง ดูเราในกระจกทีหนึ่งแล้วก็ดูตัวเองทีหนึ่งก็จะรู้เลยว่าไอ้ผู้ดูเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ว่าเราเนี่ยดูมันมารู้ว่าเราเนี่ยอยู่นอกกระจกอืมครับครเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เราอืมแต่น่าจะฝึกเป็นแล้วแหละแต่ว่าลองลองดูแล้วเกิดจากเกิดความเข้าใจแล้วก็ชํานาญในเรื่องรู้ตัวเราในระดับเนี้ยมากขึ้น ใช้หัวคิดมากไม่ได้เลยหัวคิดบังหมดเลยมันเหมือนมันเป็นแพทเทิร์นที่ติดมานานครับก็พยายามไม่ยนอนี้หลวงพ่อครับอันนี้แปลว่ามันมันมันทำได้กับทุกทุกออยยตนะเลยใช่ไ้ยครับเมื่อกี้หลวงพ่อมีพูดถึงตาหูแสดงว่าจมูกอะไรนี่เราก็ทำได้เหมือนกันคือัายตนะเนี่ยจริงๆถ้าอธิบายแยกย่อยมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องดูเดี๋ยวนะเรื่อง เรื่องดูอะไรนะสม<ด>ทิที่ดูทีวีอ่าดูทีวีเนี่ยมันใช้อายตนะในการดูทีวีนะเอาลองดูนะมันมีทีวีแล้วก็ตัวเรามีตากระท บ, บกับทีวีก็เกิดการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อายตนะแต่การเวลารู้ตัวเราอะ่ะมันไม่ได้ใช้อายตนะไหนเลยเพราะว่าทีวีมันก็รู้เราไม่ได้ใช่ไหมแล้วไอเราเนี่ย มันก็เอาตามามองเราเมื่อกี้เราไม่ได้เอาตามองถ้าตามองมันก็ใช้อายตนะใช่ไหมแต่มันไม่ได้ใช้ตาแต่มันรู้เราเพราะฉะนั้นไอรู้เราเนี่ยมันไม่มีคือมันไม่ใช้อายตนะมันเป็นคือมันรู้แบบเป็นมันธรรมชาติหรอที่เขาเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้เพียวๆเลยไม่ต้องอาศัยอายตนะใดเลยไม่ต้องอาศัยหูไม่ต้องอาศัยตาแต่มันรู้ตัวเราได้แต่ทีนี้ให้เข้าใจคือเหมือนกับว่าให ให้เข้าใจด้วยเป็นปัจจตังก่อนนะนะว่าเออตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้และจะเข้าใจเองเลยว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ไม่ต้องอาศัยอายตนะเลยไม่ต้องอาศัยอายอนนตานะเลยเป็นความสงสัยขออนุญาตถามนะครับหลวงพ่อว่ามันไม่ใช่ใจเหรอครับที่มันรู้เนี่ยครับเออจะเรียกว่าใจก็ได้เราเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่พอเรียกว่าใจปั๊บเดี๋ยวอีกคนนึงก็บอกว่าอ๋อใจมันเป็นอายตนะภายในอ้าวเดี๋ยวมันก็ไปซ้ํากันอีกเนาะ ก็เลยเรียกพุทธธาตุเลยดีกว่าไม่ซ้ําคนไหนหรือว่าจะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้มันจะได้ไม่ซ้ำใครหรือจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้อ่าจะได้ก็แล้วแต่สมมติแต่ว่าให้มันเข้าใจตรงกันว่าไอธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมีอยู่จริงอแต่การสมมติเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะสมมติเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันน่ะนะเออประมาณเนี้ยอือครับครับก็หลายครั้งที่เราบอกว่าไอธรรมชาติที่รู้เราเรียกว่าใจก็บอกว่าอ๋อใจมันเป็นอายตนะภายในนี่แล้วใจที่มันรู้ได้คือรู้อะไรก็รู้ธรรมารม อ้โหไโน่นอีกก็บอกเอองั่นก็สมมติใหม่แต่ถ้าจะสมมติว่าใจนะเติมไปนิดนึงหน่อยเป็นใจเดิมแท้เป็นจิตแท้เป um ็นใจแท้ก um yes. um ็แล้วกันเพราะว่าถ้าอายตนะภายในมันไม่ใช่ใจแท้ใช่ไหมมันเป็นใจเฉยๆอันนี้เป็นเป็นใจแท้คือใจที่ไม่เปลี่ยนคือไม่มีการปรากฏไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายคือมันเป็นอมตะน่ะคือมันไม่เปลี่ยนมันได้แต่รู้อย่างเดียวเลยตั้งชื่อว่าเป็นใจแท้โอเคถ้าเข้าใจตรงกันมันก็พอได้อยู่ แต่ถ้าคนเออถ้าคนไปยึดตำรามันก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วทั้งนั้นอ๋อสมมุติใหม่จะเรียกว่ายานก็ได้อ๋อจะเรียกว่ายานรู้ยานที่แปลว่ารู้อ่ะนะเห็นไหมยานก็คือรู้ขันหน้ารู้โลกแต่ยานอ่ะไม่ใช่ขันหน้ายานเนี่ยพ้นไปจากขันหน้าอันนี้ก็พอได้อยู่อืมครับเออจะเรียกว่ามีมุตติยานก็ได้จะเรียกว่าปัญญายานก็ได้จะเรียกก็แล้วแต่ที่มันมันเป็นยานยานอ่ะเออแต่เอาให้เห็นก่อนนะถึงจะเข้าใจได้นะถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ ก็เดาไปเรื่อยอต้องให้เห็นว่าเออมันเห็นเราได้เราเดินเรานั่งมันเห็นเราได้เรามองอะไรมันก็รู้ได้ว่าเรามองอะไรเนี่ยครับครับเออนะลองไปฝึกดูนะ เ, เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันมีใครนะเมื่อกี้เห็นทําท่าจะยกมืออยู่อ่าครับขอบคุณครับอ่างอ่ามีใครไหมโยอมสุปสุปวี สิ่งที่ยมเข้าใจเนี่ยลองลองพูดเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจตามได้ว่าเออการรู้ตัวเองเนี่ยยมรู้จักได้ยังไงเมื่อก่อนไม่รู้มันเป็นยังไงเออมันต่างกันตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยขนาดที่มองไปที่โทรศัพท์อะมองไปที่โทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่ที่ถูกมองเห็นเอาเดี๋ยว ธรรมะธรรมะธรรมะสันธรรมสัน ม, มาพูดเรื่องรู้ตัวเองเ อ, อเพื่อคนอื่นจะได้เรียกภาษาบางทีหลวงพ่อพูดไปเนาะคนอื่นก็งงแต่ว่ามีคนอื่นพูดบ้างเนี่ยคน อ, อยอมก็อาจจะเข้าใจได้อ๋อครับโอเคครับผมขออนุญาตนะครับก็อ่า เงี้ง่ายๆผมมาชวนว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกถึงลมหายใจไหมครับถ้ารู้สึกนั้นลองลองรู้สึกถึงลมหายใจนะครับแล้วก็คราวนี้รู้สึกถึงความคิดนะครับชวนถ้ารู้สึกถึงความคิดได้นะครับ ก็ลองชวนดูว่าลองลองพยายามไงก็ได้ที่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอะครับคือทํายังไงก็ได้ไม่ต้องรู้เลยอะไรเงี้ยลองใช้ความพยายามดูครับทําได้ไหมครับมีใครทำให้สามารถไม่รู้สึกได้บ้างก็ง่ายดีน่สูุรนี้โอ่ครับ ทำได้ไหมครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยอ <laughs> ุบายวิธีเนี่ยมันเยอะนะแต่ทีนี้ว่าคนถ้ารู้ตัวเองเป็นเนี่ยมันจะง่ายละห <c oughs> ลวงพ่อเนี่ชอบเฉล ย, ยมันข้อเสียตรงเนี้ยอ <c oughs> เจ้าตัวเขารู้เองแต่หลวงพ่อชอบบอกชอบเฉลยมันมันมีสองอย่างครับอย่าง ครูบอาจารย์บางองเนี่ยท่านก็เมตตามากในการที่พายอยีกทางท่านก็แบบออให้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้รู้จักตัวเองด้วยพี่ทีใคราคนี้ถ้ารครบไหมครับว่าเราเราสามารถทําให้ไม่รู้ได้ไหมครับสามารถทําให้เด็กไม่รู้ได้ไหมสรุปก็คือ ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือมีใครทาได้ครับมีใครทำได้ยกมือหน่อยครับเนี่ยตรงนี้ก็รู้เราเรียบร้อยแล้วว่าเราทําไม่ได้ใช่คือเอาเข้อจริงแล้วธรรมชาติรู้มันมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เพียงแต่แล้วมันรู้แบบเรียบง่ายแล้วแบบซื่อๆมากเลย mm hmm. ถ้าเป็นความซื่อๆเรียบง่ายๆอย่างนี้มันมันก็ง่ายมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าทุกสิ่งที่ที่รู้หรือว่า จากความรู้สึกที่รู้ได้เดี๋ยวอะไรก็ตามแต่มันรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยนะครับเอาเอาเข้าจริงนะครับในในสิ่งที่ผมก็ติดนะครับติดติดมากเลยแหละเพราะว่าผมผมก็ปฏิบัติภาวนามานานมากผมก็เข้าใจว่าเออสิ่งที่รู้สิ่งที่อะไรเงี้ยเรารู้ธรรมะรู้อะไรต่อมีอะไรแต่พอเข้าจริงกับไม่สามารถที่จะรู้เท่าได้จนกระทั่งมีกัญยาณมิตรอย่างหลวงพอนะ่อเนี่ยมาชี้ชี้บอก บอกโอ้ทุกอย่างมันมันง่ายอย่างนี้เองทุกสิ่งที่มันเป็นเป็นการปรุงแต่งหรือว่าคิดได้รู้สึกได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันมันคือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งนั้นเลยครับเออเพราะว่ารู้จริงๆมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันเพียงแค่รู้รู้รู้เหมือนที่เราลองพยายามที่จะไม่รู้นั่นแหละครับมันทําไม่ได้เออเดี๋ยวมันมีอุบายที่เคยใช้ให้โยมทําเหมือนกันนะเดี๋ยวทุกคนลองทําตามที่หลวงพ่อบอกนะ ครับ <C le af> เรื่องกลืนน้ำลายนะพ่อหลวงพ่อบอกอยังไงก็โยมก็ทำเนาะ <C le af> เอาเริ่มเลยนะเอากลืน <C le af> น้ำลายเอากลืนกลืนน้ำลายนี่นะเอากลืนเอากลืนเอากลืนเอากลืนเอากลืนกลืน <C le af> กลืนกลืนกลืนกลืนกลืนตามที่หลวงพ่อสั่งเลยกลืนกลืนกลืนกลืนกลืนเสียไงอ่ะกลืนไม่ทันครับอ่ารู้ได้ใช่ไหมครับรู้ได้ครับแล้วมีความพยายามจะกลืนไหมพยายามฝึกขีดรู้ได้ไหมรู้ได้ครับนี่ไงโถ่ตืดตมันรู้เราหมดว่าเราเนี่ยกลืนไม่ได้แล้ว เราเนี่ยพยายามสุดเวียงแล้วเราทาไม่ได้เราลืินไม่ได้นั่นเนี่ยมันรู้เราครับมันต้องใช้หัวคิดไหมในการรู้เราอ่ะไมไ่เลยไม่ต้องเลยอืมอาอลองทำใหม่ก็ได้โยมลองทำทวนใหม่นี่บอกทางให้แล้วเอากลินสั่งเองก็ได้สั่งตัวเองอืินเืน ม, มันเคี้ยวเข็นเท่าไหร่มันก็เกินไม่ลงแล้วมันก็รู้เราแล้วไงว่าเรา เอาคนไหนจะมามาแชร์ไหมในเรื่องประเด็นอย่างเนี้ยมีมีไหมครับเชิญครับคือมันมีแต่ก็มันเป็นการรู้แบบนี้มันมีมันมีสองแบบอยู่คือเมื่อกี้เนี่ยที่กลืนน้ำลายนะโอเคแหละรู้แล้วว่าเพราะเราเป็นผู้กลืนใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเลือนไงตัวเขาไม่ว่าของใครของมันเราเป็นผู้กลืนนะพอกลืนเสร็จโอเคเขาสังยังไงเราก็กลืนได้ บอกว่ากลื่นเราก็กลื<พ> mmm. ่อนพอก็บอกว่ากลื่นเราก็กลื่นและช่วงระหว่างกลื่นเนี่ยมันก็รู้ด้วยนะว่ายังไม่กลื่อนน่ะและ mm ้วก็กลื่นไปเรื่อยพอรั่วๆวทีท <te> <House> ีเนาะเราก็พยายามจะกลื่นแล้วก็มันกลื่นไม่ลงแล้วก็ยิ่งรัวเท่าไหร่มันก็กลื่นไม่ลงแล้วมันอึกอักกึกกักอึกกักอะไรเนี่ยนะอืเนี่ยตรงเนี้ยมันรู้เราหมดแหละว่าเรากลื่นเราไม่กลื่นเรากลื่นได้เรากลื่นไม่ได้มันรู้เราหมดแต่คนทั่วไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือ เหมือนกับว่าก็เรารู้ว่าเราเกลือนไม่ได้ไงนี่มันยังติดตรงนี้อยู่ um จะทำยังไงให้ ม, มันถอนว่าไอ้ที่รู้ว่าเราเกลือนไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้ uh นี่ไงเนี่ยตรงนี้แหละมันเรื่องของเขาเรียกว่าในชั้นผู้ตุชนกับในชั้นอริยะแตกต่างกันตรงนี้จริงจริงจริงจริผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับหอว่าสิงที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันมันง่ายมากง่ายมากสำหรับ การที่ไม่ไม่พยายามคิดหรืออะไรก็ตามแต่เ็เนาลองลองลองปล่อยน้อมใจแบบเออรู้สึกตามที่หลวงพ่อพูดเลยมันจะง่ายง่ายมากเพราะว่าสภาวะการสอนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของจิตสู่จิตนะถ้าจิตมันจิตมันเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันมันจะเห็นพร้อมกันแล้วมันก็ลุ้ง่ายพร้อมกันเพราะว่าสภาวะรู้มันมันไม่มีพื้นที่มันมิ ไม่มีตัวไม่มีตนนะแต่ว่ามันมันรู้หมดนะครับมันไม่ใช่แบบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนท่านเวทหลังก็พูดจิตหนึ่งจิตหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นทั้งหมดอยู่แล้วอื้าวทีนี้เดี๋ยวให้โจทย์อีกให้โจทย์นะเดี๋ยวลองทําดูหลุงพ่อจริงๆในห้องหลวงพ่อเนี่มันเยอะไงครับทีนี้เราไม่มีถ้าเป็นเป็นระบบซูลวันหลังสงสัยต้อง ต้องนัดเปิดระบบซูมมั้งเพื่อจะได้เห็นแ้วตากันเนาะใช่ใช่แล้วก็คุยกันสะดวกครับทีนี้เอาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวคือการเห็นวิธีเห็นเนี่ยบางทีมันจะต้องมีตัวเปรียบเทียบอืมแล้วก็จะทําให้เห็นสองสิ่งนั้นเดี๋ยวนะจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องเรื่องรูปกับนามเนี่ยมันยากนีเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราอะ่ะมันมันยากเพราะว่ามันอยู่ในที่เดียวกันเพราะนั้นต้องใช้วัตถุที่อยู่ข้างนอกเช่น อในนี้มีคนเคยแล้วอย่างเช่นเราบอกว่าตอนเนี้ยเข้ามาในห้องเนี่ยอยู่ในห้องคนบางคนพอเข้าในห้องเนี่ยเช่นนะสมมติวพอเข้าในห้องเนี่ยเ อ, อจะถูกถามว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะใช้คําว่าอะไรเนี้่ยเอาสมมติเป็นห้องว่างก่อนเป็นห้องว่างห้องไม่มีใครเลยเนาะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอาโยมเข้าไปในห้องนี้ไปดูที่ว่าในห้องอะมีใครไหมแล้วก็โยมก็เข้ามา แล้วก็ตอนหลังเราก็ถามว่าเป็นไงมีใครอยู่ในห้องไหมโยมบอกไม่มีไม่มีใครเลยอันนี้กรณีที่หนึ่งนะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าเอา้าเดี๋ยงั้นออกมาก่อนออกมาก่อนนะอ่าพอออกมาปับ๊บโอเคในห้องก็ไม่มีใครแต่ทีนี้หลวงพ่อบอกเข้าไปใหม่สิดูที่ว่าในห้องมีใครบ้างโยมก็บอกว่าอ้าเจอแล้วมีเราอยู่หนึ่งคนนี่เท่ากับว่ารู้เราแล้ว ทีเนี้ยความต่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งหลังมันต่างกันตรงไหนครั้งแรกเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องแต่เราเนี่ย ม, มัวแต่ไปดูคนอื่นว่ามีใครไหมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวเอง<ท>ก็เลยไปบอกว่าเออในห้องไม่มีใครทั้งทั้งที่มีเราเข้าไปอยู่แต่ไม่ดูตัวเองก็เลยไม่รู้ว่ามีตัวเราเข้าไปอยู่แต่พอมาเข้ารอบสองมันต่างกับรอบแรกก็คือว่า ดูข้างนอกดูในห้องไม่มีใครแต่มาเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่ารู้ตัวเองก็เลยว่าก็เลยบอกไปว่าอ๋อมันมีตัวเราอยู่ในห้องเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยว่าไอเรารู้รู้ว่าไม่มีใครแต่ถ้ารู้เรามันรู้ว่ามีเราเนี่ยมันง่ายๆแบบเนี้ยทีเนี้ถ้าโยมจะฝึกซ้อมเพื่อให้รู้ตัวเองให้เก่งเนี่ยก็หัดอย่างนี้แหละหัดดูในห้องเนี่ยพอเข้าห้องทีนึง อ่ามันรู้ตัวเองเลยเพราะมันรู้จักแล้วนี่การรู้ตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ออกจากห้องพอออกจากห้องมันรู้ตัวเราแล้วนี่พอเราออกจากห้องมันก็รู้อีกว่าเราออกจากห้องแล้วพอเข้ามาใหม่มันก็รู้เราอีกว่าเราเข้าห้องแล้วเห็นไหมแค่รู้จักครั้งเดียวมันสามารถรู้ได้ครั้งต่อๆมาเนี่ยแล้วก็รู้อย่างชํานาญเมื่อรู้ชํานาญเราจะไปเดินอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเราหมดเราจะไปนั่งเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปนั่งในหมู่คนเป็นร้อยคนพันคน มันก็รู้ตัวเองเป็นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการรู้ตัวเองแต่นี่ขนาดบอกให้รู้ตัวเองเนี่ยมันยังรู้ไม่ได้ อ, อยมไม่ใช่ง่ายนะแล้วทีนี้ไอรู้ตัวเองอะถ้าไม่มีคนมาบอกแล้วมันจะรู้เป็นได้ไงอะมีแต่เรารู้เขาแต่ไม่รู้ตัวเองครับมันสําหรับผู้ใหม่มันมันก็ยากครับผมผมก็เคยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลายทีเลยครับคุยกับหลวงพ่อเนี่ยครับเมื่อก่อนโทรคุยคุยบ่อยนะครับคุยแล้วหลวงพ่อก็ชี้ ชี้โอ้ทําง่ายอย่างงี้หลวงพ่อปรากฏว่าเออก็สักพักหนึ่งก็เริ่มววนครับเอาตัวไปรู้ครับแล้วก็ติดอยู่แบบโอ้ยมันทําเองอย่างนี้วะก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ารู้ตัวมันรู้ตัวนี่มันยังไงวะอย่างเงี้ยวนอยู่หลายวันครับสุดท้ายก็เป็นไปโทรไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอ้าวที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยอะไรทีเป็นอะไรที่มันอะไรที่มันพูดเล่าได้ โอ้มันทำไมง่ายอย่างงี้หลวงพ่อผมดิ้นรนอยู่ตั้งนานหลายวันหลวงพ่อชี้สองคำเนี่ยนะทําไมมันง่ายอย่างนี้เออจริงๆริงนะหลวงพ่อบอกมันจะรู้ได้ยังไงเอาตัวไปดิ้นอยู่อย่างเงี้ยนะเออจริงจริงมันมันคือสําคัญนะครับสําคัญกับการมีกัญญาณมิตรแล้วก็คือเออแล้วท่านชี้ให้เออมันก็ง่ายๆ่ยจริงจริงอย่างก็พัลาวันเหมือนกันเดี๋ยวก็ มันก็เป็นจุดที่ทำให้ได้เรียนรู้นะครับได้รู้ถูกขึ้นอะไรอย่างนี้ครับโอเคอ่าเดี๋ยวโยมนบพาราน